สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีเชีย่ยพิบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตตอนที่หกสิบหกเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบเอ็ดข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบห้าสุภาษิตบทที่ 15. สิสบเอ็ดข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบห้าโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า คนไร้พระเจ้าทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปากแต่คนชอบทำได้รับการช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู้เมื่อคนชอบทำอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็เปรมปรีและเมื่อคนชั่วร้ายพินาตก็มีเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีโดยพรของคนเที่ยงทำบ้านเมืองก็เป็นที่ยกย่องแต่ว่ามันคว่ำลงโดยปากของคนชั่วร้าย บุคคลที่เหยียดเพื่อนบ้านของตนย่อมขาดสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจก็ยังนิ่งอยู่บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เปิดเผยความลับแต่บุคคลที่ไว้วางใจได้ย่อมปิดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้ที่ไหนที่ไม่มีการนำประชาชนก็ล้มลงแต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัย บุคคลผู้รับประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัยพี่น้องครับบทเรียนจากสุภาสิตในวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการที่ว่าชีวิตของเราเมื่อเราเดินไปถึงจุดต่างๆหรือลักกิโลเมตรต่างๆในชีวิตนั้นเราจะต้องเลือกครับเราเลือกระหว่างทางสองแพร่ง หรือ t o choices นะครับชีวิตของเรานั้นพระเจ้าได้เปิดโอกาสให้เราเลือกเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าแท้จริงแล้วทางที่เชื่อฟังพระเจ้านั้นจะเป็นทางแห่งพระพรแต่ทางที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นก็จะเป็นทางที่ไปสู่ความหายยนะเพราะฉะนั้น พระคำพีเจ็ดข้อที่วันนี้เราจะพูดกันนั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะเลือกครับเราจะเลือกเป็นใครเป็นอะไรหรือเราจะเลือกใครหรือเราจะเลือกอะไรที่จะเดินเข้ามานะครับให้เขาเข้ามาในชีวิตของเราให้เขาอยู่ในทางที่เราจะเดินไปคนเหล่านี้ครับหรือความสัมพันธ์เหล่านี้มีความสําคัญมากครับ ในเช้าวันนี้เราจะดูนะครับว่าคนที่มีสติปัญญาซึ่งเราถือว่าเป็นคนชอบทำนะครับเขาจะเลือกในการทาอะไรตอบสนองอย่างไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อมห้ากลุ่มนี้หรือห้าประเภทนี้นะครับสิ่งแรกก็คือเพื่อนบ้านสิ่งที่สองก็คือบ้านเมืองสิ่งที่สามก็คือการพูดถึงคนอื่นสิ่งที่สี่ก็คือ การมีที่ปรึกษาสิ่งที่ห้าก็คือเรื่องของการคำประการนั้นครับห้าเรื่องราวห้าสิ่งนี้เรามาดูกันครับว่าคนชอบทำนั้นจะควรจะเลือกอะไรบ้างในเรื่องแรกครับเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านเราสามารถที่จะมีช่องทางการตอบสนองหรือการกระทำต่อเพื่อนบ้านของเราในเรื่องของคาพูดยังไง บางทีบอกว่าคนไร้พระเจ้าทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปากแต่คนชอบทำได้รับการช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู้พี่น้องครับในภาษาอังกฤษเนี่ยบอกว่า you can be ruined by the talk of godless people but the wisdom of the righteousness can save you ความหมายก็คือว่าเราอาจจะถูกทำลาย ด้วยคำพูดของเพื่อนบ้านที่ไม่ดีและในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามคนที่มีความชอบธรรมเขาจะมีสติปัญญาและคำพูดของเขาจะช่วยเราไว้ได้พี่น้องครับเพื่อนบ้านของเราที่ดีก็จะช่วยเรานะครับด้วยคาพูดคาแนะนาที่มีสติปัญญาในขณะเดียวกันครับถ้าเราพูด ในสิ่งที่ไม่ดีต่อเพื่อนบ้านเราก็จะเสียเพื่อนบ้านเราจะทาร้ายเพื่อนบ้านของเราได้ด้วยปากของเรานั่นแสดงว่าเราเป็นคนที่ไรพระเจ้าครับเป็นคนที่ไม่มีพระเจ้าเป็นคนอะธรรมนี่เป็นสิ่งแรกครับการที่เราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับย่อมหมายความว่าเราจะต้องพูดดีและทาดีต่อเพื่อนบ้านของเราประการที่สองครับคนชอบทำจะทำยังไง เกี่ยวกับบ้านเมืองของเขาคำตอบอยู่ในข้อที่สิบและข้อที่สิบเอ็ดครับเมื่อคนชอบธรรมอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็เปรมปรีเมื่อคนชั่วร้ายพิหนาก็จะมีเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีโดยพรของคนเที่ยงธรรมบ้านเมืองก็เป็นที่ยกจ้องแต่ว่าบ้านเมืองคว่ำลงโดยปากของคนชั่วร้ายพี่น้องเห็นไหมครับเมื่อคนชอบธรรมเจอเลยลุ่งเรืองชาวบ้านชาวเมืองก็ เย็นดีด้วยเมื่อคนชอบทำอยู่เย็นเป็นสุขเขาก็จะพัฒนาบ้านเมืองที่เขาอยู่ชีวิตของเขานั้นเป็นพระพรครับนําพรมาถึงบ้านเมืองทําให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยกย่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับคนที่มีจิตใจเผื่อแผ่เอื้อเฟือ้อเป็นคนชอบทำเขาก็จะทําให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง คนเหล่านี้ครับเป็นผู้นำที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาในขณะที่คนชั่วร้ายคนอาธรรมนั้นเขาไม่เคยคิดที่จะให้อะไรกับประเทศชาติเขาคิดอยู่อย่างเดียวครับว่าเขาจะเอาอะไรจากประเทศชาติประเทศชาติจะให้อะไรเขาบ้างแลนนี้ครับคือความแตกต่างคำพูดที่เขาพูดถึงบ้านเมืองของเขาก็สำคัญครับเพราะเนื่องจากว่าคำพูดนั้นที่จะสามารถขายชาติทรยศ ต, ต่อบ้านเมือง ของเราก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนชอบธรรมและคนอาธรรมครับคนชอบทมก็จะทำให้บ้านเมืองรุ่งเรืองแต่คนอาธรรมนั้นก็จะทำให้บ้านเมืองถดถอยประการที่สามครับเรื่องของการพูดถึงคนอื่นเราสามารถที่จะเลือกได้การเป็นคนชอบทมนั้นเราสามารถที่จะพูดถึงคนอื่นในแง่ที่ดีแต่การเป็นคนอธรรม เราก็เลือกที่จะซุบซิบนินทาการซุบซิบนินทานั้นก็คือการพูดถึงคนอื่นในงแง่ไม่ดีแพร่งภายความรับนะครับขณะที่คนที่ไว้วางใจได้พระกัมพีบอกว่าก็จะรักษาความรับไว้ได้คนที่วางใจเชื่อใจได้ก็รักษาความรับไว้ ไ, ไดคไ้คนที่วางใจไม่ได้ก็รักษาความรับไม่ได้คนที่ไวไว้วางใจได้ก็ย่อมปิดบังความลับไว้ได้ปกปิดความลับไม่ได้เนี่ยพี่น้องครับ นี่คืออีกทางเลือกหนึ่งในการพูดถึงคนอื่นเราสามารถเลือกที่จะพูดถึงคนอื่นในแง่ที่ดีได้เราสามารถที่จะเลือกพูดถึงคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีได้พี่น้องครับใครก็ตามที่เหยียดหยามคนอื่นนะครับแสดงว่าเขาขาดคอมมอนเซนส์หรือขาดสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจคนที่มีความอย่างรู้นะครับเขาจะนิ่งครับเขาจะ ไม่พูดถึงคนอื่นในกาละที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกกาลเทศะนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ประการต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาและรับคำปรึกษาคนถอยคนที่ไม่ถ่อมนะครับเขาจะไม่ยอมรับคำปรึกษาไม่ยอมรับคำแนะนำ เช่นเดียวกันครับผู้นําประเทศหรือผู้นําครอบครัวก็จะทําให้ประเทศชาติล่มจมหรือครอบครัว ย, ย่ําแย่เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ยอมถ่อมใจลงที่จะเรียนรู้จากคนอื่นไม่ยอมถ่อมใจลงที่จะฟังคนอื่นไม่ยอมถ่อมใจลงที่จะรับคําแนะนําถ้าขาดการชีน้นําประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้มีแต่ล่มจมครับถ้าที่ไหนไม่มีผู้นําที่ดีประชาชนก็ล้มลง แต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมปลอดภัยครับประการสุดท้ายครับในวันนี้ก็คือเรื่องของการเป็นผู้ค้ำประกันคนอื่นพี่น้องครับผู้ที่ค้ำประกันให้กับคนอื่นจะเดือดร้อนแน่นอนครับท่างกำพรีบอกว่าบุคคลผู้รับประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัย พี่น้องครับผู้ที่คำประ ก, กันให้กับคนแปลกหน้าจะเดือดร้อนอย่างแน่นอนครับผู้ที่ไม่ยอมคำประ ก, กันก็จะปลอดภัยใครก็ตามที่ชอบปรคำประ ก, กันคนอื่นต้องระวังให้ดีนะครับจะตามมาด้วยความทุกข์ยากลาบากเพราะในที่สุดแล้วจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราคำประ ก, กันไว้บางคนต้องติดคุกบางคนต้องรับจ่ายหนี้จนแก่จนเท่า ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะระมัดระวังอย่าไปค้ำประ ก, กันให้กับคนที่เราไม่รู้จักหรือแม้แต่คนที่เรารู้จักนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งอาเมน